มองตามความเป็นจริงว่ามันจะต้องเจอสภาพนี้แน่นอนเพราะแม้คุณคราวนี้คุณเจอจริงๆแล้วเราก็รู้ความจริงอยู่แล้วว่าเราจะต้องเจอพวกนี้เราก็ไม่เห็นจะต้องไปเขาเรียกว่าบีบคั้นอารมณ์ตัวเองไม่ต้องไปบีบคั้นอารมณ์ตัวเองเองดูที่เอาอีกแล้วใครมาทิ้งมั่วอย่างนี้นี่นี่คุณกําลังบีบคั้นอารมณ์ตัวเองนะเพราะว่าถ้าตามเป็นจริงเราต้องรู้อยู JJ, bạn, aciones, này, Lind, OG, ่แล้วสิว่ามันต yeah. ้องเจออย่างนี้อยู่แล้วสภาพมันหนีไม่พ้นน่ะ เพราะันถ้าคุณยอมรับอันนี้ได้แล้วเราระวังความคิดเราในมุมลบอันนี้เอาไว้คราวนี้พอคุณไปเจอเนี่ยคุณก็รู้อยู่อีกอะว่าเดี๋ยวต้องหาทางแก้ไขต้องหาทางบอกกล่าวหรือเตือนแต่คุณจะไม่เตือนด้วยอารมณ์เสียละคุณจะเตือนด้วยอารมณ์ที่ปกติที่ธรรมดาไม่ใช่อารมณ์บูดเน่าและไม่ใช่แบบว่าโอ้โหโกรธ อึดอัดไม่ชอบใจถ้าอย่างเนี้อาจจะมาบอกแล้วมันบางทีไม่แค่คิดแล้วมันหลุดแล้วหลุดเลยวจีกรรมพูดออกมาเลยบางทีบ่นแล้วอันนี้บ่นอยู่คนเดียวก็บน่นว่าโน่วนว่านี่อะไรไปเรื่อยอย่างนี้จิตเสียหมดจิตไม่ดีอะไรเลยคนฝึกอันนี้สําคัญนะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะพลาดพลัง้งมักจะเพ้อไผ่คือมักจะปล่อยใจเราเนี่ยให้จมอยู่กับ การเพ่งโทษคือคือคือมองแต่โทษนั่นเองมักจะให้จมอยู่ในความรู้สึกพวกเนี้ไปยาวนานจิตมันก็เสียหมดจิตไม่มีวันจะบริสุทธิ์ผ่องใสขึ้นมาได้ ท, ทั้งทั้งที่ต่อให้คุณพยายามอะไรอะ่ะจะปรับปรุงจะแก้ไขจิตคุณยังไงก็ตามยังหนีไม่พ้นเลยว่าคุณจะต้องเจอไอ้สภาพแย่ๆมากกว่าสภาพดีคุณยังหนีไม่พ้นเลยนะ ขนาดต่อให้คุณพยายามมีเมตตามีอะไรกูยังจะต้องเจออย่างนั้นอีกจะเจอไปเรื่อยๆด้วยเพราะมันไม่มีสังคมไหนหรอกที่ที่จะแบบว่าแม้มีคนดีร้อยเอร์ซ์หมดนะเราจะไม่เจออะไรที่บกพร่องบ้างเลยไม่มีหรอกในโลกเนี้ยสังคมชนิดพระ เ, เจ้าอยู่แล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่พระเจ้าท่านอบรมสั่งสอนเองก็ยัง หนีไม่พ้นเลยว่าในหมู่ภิกษุสงฆ์นั้นก็ยังมีไม่ดีปนอยู่เยอะแยะก็ยังมีเพราะอันนี้อันนี้นนเนียต้องฝึกใจแล้วต้องเตือนสติเราให้บ่อยแล้วก็ให้มากถ้าเตือนอันนี้ได้เนี่ยไอ้ตัวเพ่งโทษถือสาของเราเนี่ยมันจะลดลงลดลงแล้วเมตตาที่เราพยายามสร้างขึ้นเนี่ยถึงจะมากขึ้นแล้วพอคูณพยายาม เพิ่มเมตตาให้มากขึ้นเนี่ยการให้อภัยคนอื่นจะได้มากขึ้นแล้วเมื่อคุณให้อภัยคนอื่นได้มากขึ้นมากขึ้นกรุณาเนี่ยพอคุณเมตตาได้มากพอกรุณาจะเกิดตามมาคือคราวนี้เวลาคุณเจออะไรไม่ดีใช่ไหมจิตคุณจะเริ่มไม่เสียละเพราะว่าให้อภัยเขาได้ไม่ถือสาก็ได้คุณจะมีกรุณาที่จะคราวนี้จะเตือนหรือจะบอกเขาคุณก็จะบอกด้วยใจดีๆแล้ว มันถึงจะมีการุณาขึ้นมาได้แล้วพอคุณได้อันนี้ขึ้นมาคุณถึงจะมีมุทิตาตามมาได้อีกเพราะบอกแล้วว่าขนาดละคุณมีเมตตาคุณมีกรุณานะมีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือคนอื่นเขาแล้วก็ลงมือช่วยคนเหลือคนอื่นด้วยแต่คุณอย่าคิดว่าไอ้ตัวริษยาเนี่ยจะไม่มีนะ โอโ้ยังไม่วายเลยอาตมาเองเนี่ยอาตมาเองเนี่ยอาตมาว่าอาจจะมาบางทีบางครั้งยังจับได้เลยว่าโอ้ยเราก็ยังมีตัวพวกนี้อยู่เลยยังจับได้เลยนะเอ๊เรายังมีกิเลสพวกนี้อยู่นะเพราะบางทีเนี่ยก็สังเกตจากบางทีอ่ะคนอื่นเขาได้ดีได้ดีอ่ะคนชมมั่งอะไรมั่งนะเรายังได้แหมไม่ชมเราบั่งเลย เรายังรู้สึกอยู่เลยนะแมเ่เราก็ไม่ด้อยกว่านะนั่นนั่นกิเลสตัวนี้แหละกิเลสตัวนี้มันยังมีอยู่เลยแมเ่เรานี่ก็ยังไม่ไวายชมเขามากๆเขาบางทีถ้าคุณไม่ไม่จับอารมณ์จิตของตัวเองให้ทันนะไอต้ตอนแรกก็คิดแค่นั้นใช่ไหมไม่ชมเรามั่งเลยเราก็น่าจะได้รับคำชมสักพังเสร็จแล้วยังไงถ้าถ้ายังไม่อยู่นะ ถ้าปล่อยให้มันปรุงต่อไปนะจิตมันไม่ดีแล้วนะถ้าคุณจับไม่ทันเนี่ยปล่อยมันต่อไปมันจะคิดต่อไปอีกนะตอนนี้มันมันจะลบมากขึ้นไงโดยคิดในทางเสียเนี่มากขึ้นต่อจากว่าแม้ไม่ชมเราบ้างเลยอะไรรู้เปล่าคราวนี้คิดต่อไปมันเริ่มจะเพ่งโทษคนอื่นแล้ะเริ่มยังไงคราวนี้นั่นแหละคนที่ได้กันชมนั่นแหละจริงๆแล้วสู้เราไม่ได้โดยซ้ำไปอ่าเริ่มแล้วนะนี่เริ่มหนักข้อกันแล้วนะคราวนี้ แลม้มันจะไปเรื่อยๆเลยถ้าคุณจับไม่ทันมันจะไปเรื่อยๆล่ะนั่นน่ะบางครั้งอัตมายังรู้สึกได้หรือบอกโอ้ยแต่ดีที่ว่าเราฝึกฝนมามันก็จับได้ไวขึ้นพอเราจับได้เราก็รู้แล้วอามาอีกแล้วมาอีกแล้วอัตมาถึงบอกไม่ง่ายเลยตัวมุติตาเนี่ยถ้าคุณฝึกแล้วคุณจับจิตคุณได้ทันแล้วคุณจะรู้ว่าอออืืยากจริงๆแล้วมันขึ้นมาไวนะโดยเฉพาะเนี่ยให้สังเกตตอนที่ คนอื่นได้รับคําชมยิ่งคนที่อยู่ใกล้คุณหรือคนที่ทำงานด้วยกันคือคือสภาพที่เรารู้ๆกันอยู่อะแล้วคนอื่นได้แต่เราไม่ได้เนี่ยอันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์มุทิตาคุณได้ชัดมากเลยแล้วมันจะไวถ้ามุมตรงข้ามมุมตรงข้ามกับมุทิตาคืออะไรคือคือจะพุ่มมุมกลับให้คุณเห็นอีกมุมหนึ่งอันนี้ยินดีที่คนอื่นเขาได้ดี แล้วถ้าตรงข้ามริษยาสิก็คืออะไรเนี่ยเขาเรีริษยาก็คือพอเราเห็นคนอื่นเขาได้ดีใช่ไหมเราก็ไม่อยากให้คนอื่นเขาได้ดีอย่างที่ที่คนอื่นเขาเห็นหรือเราเห็นก็ตามแต่นี่นั่นแหละคือมุมที่ตรงข้ามก็คือถ้าใช้ภาษาง่ายๆนะอันนี้ยินดีใช่ไหมอันนี้ยินร้ายยินร้ายที่คนอื่นเขาได้ดี มุทิตานี่ยินดีที่คนอื่นเขาได้ดีใช่ไหมเอาคนอื่นได้รับคําชมก็แล้วกันยินดีที่คนอื่นเขาได้รับคําชมแต่อันนี้กลายเป็นยินร้ายที่คนอื่นเขาได้รับคําชมเพราะมุมมุมกลับของอันนี้เนี่ยให้เราสังเกตแล้วเราจะจะจับอารมณ์จิตของเราได้ทันว่าโอ้มันเกิดขึ้นไวมากเลยแล้วพอมันขึ้นมาปับ๊บทันทีเลยเราเริ่มแล้ว เริ่มแล้วอาการมันเริ่มมาเลยพอมาเนี่ยนะถ้าคุณทันนะคุณไวพอจับได้ปั๊บรี บ, รบปรับจิตรีบแก้จิตทันทีเลยบอกเอาแล้วเอาแล้วนี่ลิสยาแล้วอย่างนี้เริ่มลิสยาแล้วจ ะ, จะเข้าสู่ข้อที่สามเป็นยังไงข้อที่สามคืออะไรอ่าข้อที่คือคือข้อที่สองนี่ นี่ไงทำไมาไม่เพ่งโทษใช่ไหมเส้วบอกว่ามาเข้ามามาต่อข้อที่สามคือจริงๆเนี่ยธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมันจะร้อยเรียงไปเรื่อยอยู่แล้วอ่ะจะเข้าข้อที่สามว่าแม้ไม่มีชื่อเสียงก็ไม่สะดุง้งไม่สะดุง้งคือไม่หวั่นไหวนั่นเองไม่ใช่ไม่มีชื่อเสียงแล้วก็ก็ถูกแล้วไม่มีชื่อเสียงก็เฉยๆอยู่แล้วเําว่าไม่สะดุ้งต่ออะไรเออ เขาบอไม่สะดุ้งนหมายความว่ายังไงอยากถามพวาเราไม่มีอารมณ์หวั่นไหวไม่มีอารมณ์นะ่คือแม้ไม่มีชื่อเสียงโอ้ยหงอยเหงาไม่มีใครมาชมเราไม่ไม่มีใครมาบอกว่าเราดีบมด้านบมนี้บ้างเลยเนี่คือความสะดุ้งคือจิตมันไม่ไปหวั่นไหวอ่อนแอไม่ไปเกิดอารมณ์แปรปรวนพวกนี้แม้ว่าไม่มีชื่อเสียงไม่มีคนมาชมเราก็ตาม แล้วจิตยอย่างนี้ยมันถึงจะผาสุกเพราะบอกแล้วโดยกิเลสของคนเราปกติเนี่ยคุณทําอะไรไปก็ตามมันมันยังไงก็อยากให้คนชมอ่ะแม้คุณจะบางทีปากคุณอาจจะบอกว่าโอ้ยไ ม, ไม่ต้องมาชมไม่ต้องมาชมมึงนะแต่เวลามีคนชมยังไงก็รู้สึกแหมมีความสุขทุกทีอ่ะมีความสุขทุกทีเพราะดีกว่โดนด่าใช่ไหม ดีกระโทษด่าแน่นอนมันมันมันจริงๆเลยขณะอาตมาเองเนี่ยตอนที่บอกว่าเนี่ยบางทีพูดให้พวกคุณฟังเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลหรอกก็เอาตัวเองมาพูดให้ฟังแหละว่าเออมันเป็นอย่างนี้จริงๆอาตมาเนี่ยเพียงแต่ว่าดีตรงที่ว่าอาจจะไวหน่อยว่ามันจับอารมณ์จิตตัวเองได้ไวเพราะนั่นพอพอจับได้ทันเราก็รี บ, ร, บรีบแก้ไขนะไอ้คาว่า ไม่มีชื่อเสียงเนี่ยก็ไม่สะดุ้งอะไรพวกนี้ฟังดูมันก็แหมเหมือนกับใหญ่โตอะไรจริงๆไม่ใหญ่โตหรอกคุณไม่ต้องไปคิดถ้ามันใหญ่โตคําว่าไม่มีชื่อเสียงเนี่ยนะเอาแค่เอาแม่ครัวก็ันเนี่ยทํามาแค่ขึ้นสลาเนี่ยหรือว่าใครไปชิมตรงนั้นก็ได้แค่เขาชิมมันยังยังจะรอฟังเลยนะจะว่างไงแค่เนี้ยไม่ต้องอื่นใครหรอกคุณยันนึกโอ้โหบางทีเหมือมีชื่อเสียงเนี่ยแม้ต้องไป ได้รับรางวัลต้องไปอะไรไม่ต้องคุณนันมันห่างไกลตัวเราเกินไปเอาแค่นี้แหละนั่นแหละแค่นั้นแหละคุณแค่นั้นแหละเนี่ยยังสะดุ้งอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเราหวังเลยเห็นไหมนี่นี่ยเเนี่ยคืออาการเดียวกันถ้าคุณแวววายคุณจับได้คุณจะรู้ว่าโอ้จิตอย่างนี้ยังมีนะเนี่ยมันยังวันไหวมันยังสะดุง้งสะเทือนอยู่ยิ่งบอกแล้วว่า ไม่มีคนชมเนี่ยแล้วอาจจะเงียบเงียบเขาเหงาไปหน่อยนะมันะมันสะดุ้งเดืองในแง่เงียบเงียบเขาเหงาวันหลังรู้สึกว่าทาแล้วไม่เห็นมีใครพูดถึงเลยยิ่งใครเนี่ยทุ่มเทอะไรทำลงไปแล้วกิเลสตัวนี้มันมาทันทีเลยมันหวังผลมันหวังผลหวังคนชมมั่งหรือแม้เขาไม่ชมเนี่ยแต่ว่าอะไรอ่ะ เขาก็พูดดีๆในในสิ่งที่เราทำนั้นๆเน่เราก็ยังหวังพวกนี้อยู่อันนี้เป็นอํานาจของกิเลสที่มันมีอยู่ถ้าคุณจับจิตพวกนี้ได้ทันแล้วคุณก็ตัดลดลงไปได้อีกนะคุณก็ทำไปโดยที่ได้ว่าไม่ต้องหวังผลอะไรพวกนี้จริงๆเนี่ยมันยังหวังอยู่แต่คุณต้องจับให้ทันแล้วคุณก็พยายามเฉือนมันออกไปเฉือนมันออกไปอย่าให้มันเกิดอารมณ์ความรู้สึกพวกนี้มาเฝ้าคอย ตั้งตารอคอยอย่าให้มันเกิดเพราะถ้ามันเกิดเนี่ยนะมันจะเริ่มสั่งสมตัวสั่งสมตัวพอมันสั่งสมตัวเนี่ยมันจะคอยจริงๆแล้วมันจะบางทีเนี่ยคราวนี้เนี่ยคอยไม่ไหวแล้วรู้สึกไม่มีใครพูดถึงเลยต้องไปถามเองและวันนี้เป็นยังไงบ้างนะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเอาแหละมันจะไปเรื่อยๆแหละยิ่งคราวนี้ถ้าก็ติกเขาว่ามานี่นะมันจะเถียงลนะ่ะมันจะเถียงละ เียงอย่างนั้นเถียงอย่างนี้ยิ่งถ้าใครเชื่อมั่นในตัวเองสูงสูงประเภทไม่ค่อยที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นสักเท่าไหร่คุณจะเทียงเลยถ้าเขาว่าในมุมลบคุณจะเทียงแหละแต่ถ้าเขาชมมาคุณก็หน้าบานเท่านั้นเองนั้นอันเนี้ยเ น, นี่ยนะข้อที่สามส่วนข้อที่สี่ว่าอย่างไงนะ ได้โดยไม่ยากไม่ลําบากในฌานทั้งสเนี่มันเกี่ยวเนื่องกันเลยถ้าบอกแล้วถ้าอารมณ์จิตเนี่ยตั้งแต่ข้อ1ข้อ2ข้อ3นะที่เราทํามาได้แล้วมันจะเข้าสู่ข้อสีนี่เลยเพราะอาตมาบอกแล้วว่าคุณต้องจับอารมณ์จิตตัวเองให้ได้ใช่ไหมคำว่าจับอารมณ์จิตให้ได้แล้วคุณปรับจิตเนี่ยนั่นแหละคือการวิตกวิจาร์อย่างของพุทธคือฌานที่หนึ่ง คือชา้นที่หนึ่งอย่างของพุทธฮวันจะได้โดยไม่ยากไม่ลําบากเนี่ยเพราะว่าเราฝึกจับอารมณ์จิตเราแล้วก็หัดปรับอารมณ์จิตเราฮวันคนที่จะได้โดยไม่ยากไม่ลําบากเนี่ยหมายความว่าคุณฝึกอยู่เรื่อยๆฝึกฝนอยู่ บ, บ่อยบหัดจับอารมณ์จิตแล้วก็ปรับหัดจับอารมณ์จิตแล้วก็ปรับคนที่ปรับได้ บ, บ่อยๆเนี่ยป่ายง่ายชานที่ชันที่หนึ่งเนี่ยจะทําอยู่เรื่อยเลยชานที่หนึ่งนี่คืออะไร วิตกวิจารปิติสุขเอกะขะตานัหรืออุเบกขาก็แล้วแต่เนี่ยชานที่หนึ่งจะต้องมีห้าตัวนี้นี่ในชานที่หนึ่งแล้วนะชานที่หนึ่งไม่ได้หมายความว่ามีแต่แค่วิตกวิจารอืชานที่หนึ่งเนี่ยมีวิตตกวิจารนะใช่แล้วแต่ในขณะที่วิตกวิจารก็จะมีปิติสุข พวกนี้ตามมาด้วยเพราะในชาติที่หนึ่งเนี่ยจะต้องมีวงจรพวกนี้ครบ อ, อยู่แล้วต่อเมื่อคราวนี้คุณจดขึ้นชาติที่สองเนี่ยเพราะว่าคุณจับอารมณ์จิตได้คุณปรับจิตได้ใช่ไหมเนี่ยพอคุณวิตกวิจารได้เสร็จแล้วเนี่ยเท่ากับคุณปรับอารมณ์จิตได้แล้วปรับความคิดปรับความรู้สึกนึกคิดได้เพราะพอคุณปรับได้ปั๊บอันก็สบายจี สบายเป็นไปติขึ้นมาเป็นสุขขึ้นมาใช่ไหมเป็นจิต ท, ที่สงบแล้วอุเอกบกตาเดี๋ยจิต ท, ที่มันนิ่งได้แล้วมันสงบได้แล้วเพราะฉะนั้นพอใครทำอย่างนี้มาได้คราวนี้ก็ไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์อะไรอีกละเพราะว่าคิดตกแล้วพูดยังไงคิดตกแล้วเหมือนกับคุณปรองอะไรตกสักเรื่องอ่างเนี้ยเออทำงานไอ้นี่ไป ใครดา่าใครจะว่าอะไรก็ปรงตกแล้วหรืออาจจะโดนมาหลายทีแล้วจนกระทั่งช่ำชองทํานานแล้วนะโปรงตกแล้วโดนดุโดนว่าก็ไม่ไม่ถือสาอะไรละเนี่ยคุณปลงใจได้แล้วคุณวางใจได้แล้วนี่เนี่ยคุณก็ไม่ต้องมาคิดฟุ้งอะไรแล้วคราวนี้ต่อให้มีคนมาติมาว่าคุณนะจิตคุณไม่กระเพื่อมที่จะโอ้โหคิดแง่ลบ คิดแง่ไม่ดีอะไรกับเขาคุณไม่กระเพื่อมแล้วมันไม่ปรุงมันไม่ฟุ้งขึ้นมาใหม่อะไรอีกแล้วเขาจะตีเขาจะว่ามะก็รับฟังอถ้ามันบกพร่องปีกต้อแก้ไขก็แก้ไ ข, แ, ไขแต่จิตมันไม่เนี่ยไม่สะดุง้งสะเทือนไม่กระเพื่อมอะไรถ้านเนี่ยเี่ยใครอย่างนี้ได้เนี่ยนะคุณไม่ต้องวิตกวิจัยแล้วคุณก็ขึ้นชั้นที่สองอ่า ปิติสุกเนี่ยเดี๋ยวก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยจนกระทั่งจนมาถึงชานที่สี่เนี่ยคุณก็เป็นอุเบกขาคุณก็วางใจได้สบายๆคำว่าวางใจได้สบายๆเนี่ยจริงๆคุณยังสุขอยู่เหมือนเดิมนะมันยังสบายอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามันไม่ไม่ไปอะไรอะสุขอย่างชนิดหวือหวาหรือว่าอะไรแล้วเท่านั้นเอง แต่มันเป็นความสบายสบายที่ที่เหมือนปร่งโปรเหมือนกับร่วงร่องอย่างเงี้ยไมอ่อไม่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปรู้สึกโอ้โหแบบปิติแบบสุขอะไรกันตะกันนาอะไรอย่างเงั้นมันมันไม่ต้องอ่ยมันก็เป็นความสบายที่ธรรมดาแบบธรรมชาติของชีวิตคนเราเนี่ยแหละเพันพอใครเนี่ยทําจิตอย่างนี้ได้เนี่ยคนนั้นเริ่มสั่งจิตตัวเองได้แล้ว เนี่ยโดนติโดนดา่าโดนว่าโดนอะไรมาคุณสามารถจะปรับให้มันเป็นปกติเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติธรรมชาติที่ที่สงบที่สบายได้เนี่ ย, ยใครทำอย่างนี้ได้คนนั้นผาสุขแน่นอนคุณจะไปเจอแง่ลบแง่ร้ายอะไรมายังไงคุณก็ทำปกติได้เพราะฉะนั้นคนคนที่ฝึกอย่างนี้บ่อยๆคนนั้นถึงจะเป็นคนที่มีความสุขได้ จนข้อสุดท้ายอะไรโอ้โหเห็นไหมถ้าใครทำอย่างนี้ได้เนี่ยคุณวางใจอย่างนี้ได้ข้อที่ห้าก็สามารถที่จะทำให้แจ้งในเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเพราะมันมันเป็นผลล่ะตัวที่ห้าเนี่ยมันเป็นผลจากที่เราเนี่ยทำข้อตอน้ตอนๆนั้นมาจนมาถึงฌานใช่ไหมจากฌานเนี่ยเราก็ปฏิบัติอยู่ทุกวี่ทุกวัน ไปกระทบไปภาษาไปทำงานไปอยู่กับใครที่ไหนเราก็ปรับอารมณ์จิตเราได้อยู่เสมอเลยตลอดเนยคนนั้นจะหนีพ้นจากวิมุตได้ยังไงความหลุดพ้นน่ะมันต้องได้แน่นอนอยู่แล้วจะเป็นโดยเจโตวิมุตหรือปัญญาวิมุตก็ตามก็ต้องได้แน่และอั น, นเนี้ยเนี่ยคือคือความผาสุกที่คนเราเนี่ยจะมีได้จริงๆ โอ oh, จะให้แยกเจโตวิมุติกับปัญญาวิมุตมิมุติก็แปลว่าความหลุดพ้นเจโตนี่ก็เป็นในทางจิตนะปัญญานี่ในทางการอบรมในทางสติปัญญาเนี่ยอรหมาเคยแยกแยะระหว่างสายสองสายว่าสายเจโตกับสายปัญญาจริงๆริงพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นผู้แบ่งไว้เองนะไอ้ตอนนั้นท่านเปรียบไว้อย่างไงนะ เปลี่ยนเหมือนกับเต่ามั้งใช่มเจโตเนี่ยพโมคลานะเนี่ยซึ่งเป็นสายเจโตเป็นสายจิตเนี่ยนเปลี่ยนเหมือนกัะเต่าส่วนภสารีบุญเนี่ยเปลี่ยนเหมือนสายปัญญาเปลี่ยนเหมือนกระตายหรือไงเนี่ยจำไม่แม่นแล้วนะนั่นนะท่านเปลี่ยบไว้เหมือนกับสองสายซึ่งเจโตเนี่ยจะเป็นสายที่อาศัยการ บังคับจิตโดยตรงเนี่ยมากกว่าจับอารมณ์จิตได้ไวจับความรู้สึกได้ไวแล้วก็ใช้ใช้แรงน่ยใช้ใช้การบังคับขมม่มกันลงไปเลยบังคับมันลงไปดื้อๆเนี่ยสู้กับมันไปตรงๆเนี่ยใช่ไหมพอใช้แรงข่มมันเสร็จบังคับเสร็จยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมดีกว่าอย่างเช่นเราติด เสละเปาเสร็จแล้วปรากฏว่าเราโอ้เราติดมากเลยเรารู้แล้วนี่เป็นกิเลสของเราถ้าเป็นสายเจโตเนี่ยใช่ไหมไปเจอไปเห็นเข้าใช่ไหมไม่กินงดใช่ไหมไม่หยิบไม่แตะไม่ดมไม่ต้องได้กินเอาอย่างนั้นเลยแบบเจโตก็ตัดชั่วกันไปนเลย ท, ทั้งที่โอ้โหไหนใจมันก็อยากจะไปกินอยากจะไปกินนะ แต่คมกันอย่างเงี้ยบังคับกันอย่างเงี้ยดุยดื้อซื่อเงี้ยบังคับกันไปเลยบังคับไปแล้วไม่ใช่จิตมันจะยอมง่ายๆนะจิตมันก็ไม่ยอมนะแต่เราก็สู้กับมันเลยอ่ะมันไม่ยอมเหรอไม่ยอมเหรอโผหัวขึ้นมาเหรอตีหัวให้ตีหัวให้ตกลงไปให้มันให้มันลงไปเลยคือเนี่ยชนกันเลยอ่ะดับเครื่องชนกันเลยเป็นลักษณะนั้นเลย คือเจโตจะเป็นอย่างนั้นบังคับกันไปเลยรวมนี่มันเป็นกิเลสมันเป็นตัวไม่ดีบังคับมันลงไปเลยใช้แรงใช้แรงของจิตใช้กำลังของจิตเนี่ยบังคับลงไปนั่นเนี่ยจะเป็นแบบสายเจโตเพราะฉะนั้นสายเจโตเนี่ยถ้าบังคับได้สาเร็จแล้วก็ทำได้สาเร็จนี่ถึงได้บรรลุทำไวนั้นจะเร็วกว่าแล้วก็อ่านจิตอ่านใจเนี่ยได้เก่งกว่า หมายถึงอ่านใจนี่คืออ่านอารมณ์ของจิตนะอารมณ์มันชอบไม่ชอบอารมณ์มันหงุดหงิดหุ้นาันอารมณ์มันคิดเอโนอนคิดเอนี่อะไรเนี่ยอ่านได้ไวอ่านได้เร็วสายเจโตจะอ่านได้ไวเสร็จแล้วอันนี้ถ้าสายปัญญาสายปัญญานี่ใช้ยุทธวิธีมากกว่าแทนที่จะไปใช้แต่กําลังอ่ะใช้ยุทธวิธีจะผดเด็จ หรือว่าสู้กิเลสอย่างเช่นไปเจอสระเปาเนี่ยโอ้โหติดเหมือนกันชอบเหมือนกันแทนที่จะอยู่ดีแล้วก็ปัดทิ้งไปเลยโยนสระเปาทิ้งไปเลยนะไม่อะ่ะไม่รุนแรงแบบนี้วันสายปัญญานี่จะใช้การพิจารณาบางทีในี่ใจก็อยากแล้วโอ้โหอยากจะกินนะอยากจะไปหยิบนะบางทีก็หยิบขึ้นมาพิจารณาใหญ่ะนะระวังให้ดีอะ สายปัญญาเนี่ยสายปัญญาเนี่ยถึงถึงเสี่ยงอยู่เรื่อยนะสายปัญญาสายใจโตไม่หยิบเลยสายปัญญาเนี่เอาแล้วบางทีพิจารณานะข้างบนบางข้างล่างบาง ข, งขง้างๆลังบพิจารณาไปเรืนะ่อยนะเไอ้นี่มันประกอบด้วยแป้งน้ําตาล น, นะน้ําตาลก็ไม่ดีไนะเป็นพิษนะอะไรพิจารณาไปเรื่อย ไม่รู้พิจารณาไปน้ําลายไหลไปหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็พิจรารณาก็ตั้งใจจริงๆก็พย า, พ า, าพยามพิจารณาพยายามพิจารณาใช่เหตุผลใช่อะไรต่างๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพลังจิตจะค่อนข้างอ่อนกว่าเนี่ยถึงบอกกำลังจิตนี่จะอ่อนกว่าวันต้องใช้การอบรมปัญญาของเราเนี่ยของความคิดเนี่ยต้องใช้มากกว่าใช้ในการที่จะ บอกกล่าวใช้ในการที่จะเตือนตัวเราเองเพราะฉะนั้นสายปัญญานี่ต้องอาศัยเหตุผลมาเยอะเหตุผลต่างๆเนี่ยเหตุผลที่ดีๆเหตุผลที่จะฆ่าลงไปได้เพราะนั้นสายปัญญานี่ต้องฟังธรรมมากๆต้องฟังธรรมมากๆบางทีต้องคุยต้องอะไรสนทนาทำหาแง่มุมต่างๆเอาไว้เยอะๆสูตรนี้ไปสาเร็จเอาสูตรโน้น สูตรโน้นม่คับเด็ดสูตรนั้นคือใช้พยาามอ่ะน่าจะจะมีสูตรเยอะเลยที่จะมาใช้มาแก้กิเลสของเราพวกเจโตบางทีสูตรเดียวอ่ะครอบจักรวาลเลยใช้สูตรเดียวอ่ะป่วยไปโรคอะไรมาล่ะยานี่แหละป่วยไปโรคอะไรมาจะเป็นมะเร็งจะเป็นเอชจะเป็นไข้หวัดยานี่แหละกินแล้วหายได้ทุกโรค เจโตจะเป็นอย่างนี้เลยตูมตูมตูมลงไปเลยเรียกว่ายาครอบจักรวาลนักชายกำลังชนปะทะ้าไปโอ้ยแต่พอมาสายปัญญาเนี่ยป่วยเป็นอะไรเป็นไข้หวัดอันนี้แคปซูลไปกินเนี่ยนี้เป็นอะไรอันนี้เอาอันี้เอาสมุนไพรไปกินอัานี้เอาไม่ีไปกินคือจะอย่างเงี้ยจะแยกแยะเยอะแยกแยะรายละเอียดวันช้ากว่า บรรลุธรรมนี่ช้ากว่าแต่ถ้าบรรลุเมื่อไหร่ก็ฉลาดกว่าเมื่อนั้นบรรลุเมื่อไหร่ก็จะเป็นพระอรหันต์ที่ที่ฉลาดได้มีไหวพริบปฏิภานมีอะไรที่จะสั่งสอนคนช่วยเหลือคนได้มากกว่ามากกว่าสายเจโตนะก็จะเป็นไปตามนั้นซึ่งอันนี้ก็คือความแตกต่างยังยังมีอีกเยอะนะถ้าจะให้พูดถึงความแตกต่างในชีวิตประจาวัน เคยพูดให้ฟังว่าคุณรู้ตัวไหมว่าคุณเป็นสายเจโตรหรือสายปัญญาเคยพูดยาวเลยเพราะจริงๆเนี่ยคนเราเนี่ยบางทีเรางงๆตัวเองเหมือนกันนะนี่เรามันเจโตรหรือปัญญาเนี่ยสายไหนอสายกระเทยหรือเปล่าก็ไม่รู้สะเทือนนั่นสะเทือนบกหรือเปล่านะจริงๆเนี่ยในคนเราอะ่ะมันไม่ได้มีอะไรอย่างเดียว พคําว่าสายเจโตหรือคนนี้เป็นสายปัญญาเขาพูดโดยองค์รวมเขาไม่ได้พูดในแต่ละเรื่องเพราะฉนั้นเราจะบอกว่าเราเป็นสายเจโตไหมดูโดยองค์รวมของเราไม่ใช่ไปดูเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยนะคุณก็สายปัญญาบางเรื่องอันนี้มันขึ้นอยู่กับกิเลสบางเรื่องคุณสายปัญญาแต่บางเรื่องคุณสายเจโต สังเกตดูนะเรื่องไหนที่ชอบชอบอนะมักจะสายปัญญามาเรื่อยอเรื่องไหนที่ชอบชอบเอาแล้วนะแหมเหตุผลโนนเหตุผลนี้สมมตินะถ้าชอบกินสลัเปาเหตุผลเริ่มมานะเออไอ้นั่นนะไอ้นี่นะวันนี้เราก็ตั้งตะ巴มาเยอะแล้วหลายอย่างแล้วเอาแล้วนะเริ่มมาเรื่อยเหตุผลจะเยอะ นะพอชอบชอบเนะี่ยบางทนะีเริ่มปัญญามาระวังมันปัญญาเฉโกไม่ใช่ปัญญาจริงแต่พออย่างไหนไม่ค่อยชอบเนี่ยนะคุณจะเอาแบบเจโตนะไม่ได้ไม่ยุ่งด้วยไม่เจอไม่พูดด้วยลนะคุณจะเอาแบบเจโตเลยนะครั้นี้ไม่ไม่เ อ, เอาปัญญาเลยสักข้อเลยสักเท่าไหรนะ่อันนั้นก็ระวังนะั้นไม่ใช่เจโตจริงอันนั้นกิเลสบางทีเราไม่ชอบต้องหาก็ แต่คุณไม่รู้คุณก็ไปนึกไปแยกเอาเป็นเจโตเป็นปัญญาเอาเองันไม่ใช่เพราะนั้นตอนนี้ยกตัวอย่างเอาที่มันถูกต้องที่มันเป็นปัญญาถูกต้องหรือเป็นเจโตถูกต้องนะ่าอย่างเช่นบางเรื่องเนี่ยในคนคนเดียวกันนี่นะบางคนเนี่ยพูดเร็วเวลาพูดเวลาทำงานเวลาไปไหนอะไรกับใครเนี่ย พูดเร็วเดินเร็วทำอะไรเร็วอ่ะนะส่วนใหญ่เร็วไวอะไรนี่เรามักจะถือเป็นทางปัญญานะบอกแล้วเหมือนก็ตายพวกเร็วพว ก, กวอะไรพวกนี้ถือเป็นเชิงของสายปัญญาเพราะว่าคล่องแคล่วว่องไวนะบางคนพูดเร็วเดินเร็วอะไรเร็วหมดแหละแต่พอถึงเวลากินกินช้า คนเดียวกันเนี่ยแหละมีจริงจริงคุณไปสังเกตุพอถึงเวลากินเจโตจังเลยนะแหน่ค่อยๆพิจารณากินแบบชนิดที่เรียกว่าอะไรอ่ะพอบอกแล้วสายจิตสายจิตจะกินบางทีนับคำแล้วค่อยๆเคี้ยวนั่นแหละแต่ถึงบอกว่าไปดูว่าจริงไหมระวังอย่าให้มันเสพถ้าเป็นการเสพแล้วไม่จริงถ้าเป็นการเสพเนี่ย เจตันั้นเจตัวปลอมปัญญานั้นปัญญาปลอมแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าจะเป็นของจริงนะให้คูสังเกตถ้าเราไวเนี่เราไวจริงไวในทางที่ดีเราไม่ได้ไปเสพหรือว่าเราไม่ได้ไปแกล้งไม่ได้ไปอะไรนะมันทําไปตามปกติของบุคลิกของธรรมชาติของเราเองไม่ใช่คิดจะไปเสพหรือว่าไม่ใช่คิดว่าอยากจะไปพูดทา็นเร็ว แต่มันไปเองของมันจนกระทั่งมันเป็นอะไรอ่ะวาสนาบารมีหรืออะไรที่เราสั่งสมมามันทําให้มันเป็นไปตามนั้นเอออันนี้ไม่ใช่เราเสพนะจริงๆเราทุกข์ด้วยซ้ําไปที่มันเร็วอย่างนั้นอะอยากจะให้มันช้าลงด้วยซ้ําแต่ว่ามันมันมันช้าไม่ลงนังข่าก่ะเออพ้อนข่าวเนี้ยถ้าคุณพยายามที่จะให้มันลงกูจะรู้แล้ว่าเออเออไวแบบนี้นี่ ใช่มันสายปัญญาจริงมันไวอย่างเนี้เพราะบางคนเนี่ยทํางานไวนะทํางานไวโอ้โหมือไวเท้าไวบอกให้ช้าพยายามเขาก็รู้ตัวนะพยายามที่จะให้ช้าลงพยายามอยให้ช้าลงมันไม่ยอมอะ่ะคราวนี้ก็โอ้โหพยายามสู้กับมันพยายามฝืนบางบางคนก็พยายามเอาเจโตเข้ามาช่วยเข้ามาช่วยสู้กับไอ้ปัญญาที่มีอยู่ เพราะปัญญาที่มีอยู่มันสั่งสมให้ไว้ที่มันมีประโยชน์มันดีอย่างนั้นมันดีอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นต้องไวไว้ก่อนพ่อสอนไว้ <c oughs> นั้นรีบใหญ่เลยรีบแนั่นนั่นเป็นเหตุผลที่มันจะเข้าข้างใช่ไหมแต่ตอนนี้เราเรารู้ตัวแล้วโอ้โหนี่ไม่ใช่อ่ะนี่มันไวโดยธรรมชาติของเราไปสะสมมาจนกระทั่งมันจะเป็นเริ่มไม่ดีไปเริ่มเสียแล้วเพราะฉะนั้นเอาเลยเอาเจโตมาตั้งตาบะ บ, าบังคับนะให้เดินช้าลง นะ้ห้ามเดินไวเวลาเดินอย่าอะไรหนะ้าอย่าอย่าอย่าโยกตัวอย่าอย่าแว่งแขนอย่าอะไรเพราะมันมันเร่งสปีดเนีไงบอกให้เดินกุมมือให้เดินสํารวมไวจะได้ช้าลงอะไรอย่างเงี้เนี่ยอย่างเอาตะบะนี่เข้ามาตะบะนี่เป็นแบบเจโตเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะมาสู้กับไอความวัยของเราที่เรามีอยู่โอ้โหแล้วต้องฝืนต้องสู้กันหน้าดูซึ่งอันเนี้ี่ย ถ้าเราลูกความเป็นจริงพวกนี้ได้เราก็จะเอาประโยชน์ของเจโตก็ตามของปัญญาก็ตามเอาไปใช้แก้สภาวะของเราจะทางจิตก็ตามทางวาจาก็ตามหรือทํากายก็ตาม <c oughs> เพื่อที่จะให้เราเนี่ยปรับเปลี่ยนกายวาจาใจของเราเให้มันสมดุลขึ้นให้มันดีขึ้นหรือว่าให้มันเป็นความผาสุกที่ถูกต้องแท้จริงเนี่ยได้มากขึ้น นั่นเนี่ยทั้งห้าข้อแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้โอ้ถ้าทำห้าข้อนี้ได้นะคุณเฮ้ยสบายแล้วล่ะจริงๆสบายมากเลยจริงๆแค่ข้อใดข้อหนึ่งเอามาใช้นี่ก็สบายไว้ตั้งเยอะแหละยิ่งถ้าเราทําได้ร้อยเรียงมาทั้งห้าข้อนี้คุณจะยิ่งสบายมากเลยก็คงพอท่านี้นะวันนี้